ว่างจากความพ่ายแพ้แข่งแพ้สนามแข่งเหมือนนามแหลมทิมตาที่เห็นแทงใจที่คิดแข่งชนะสนามแข่งเหมือนน้ำเย็นช่ำไหลตาที่เห็นโลมใจที่คิด วันหนึ่งแข่งแพ้วันหนึ่งแข่งชนะภาพสนามแข่งต่างไปดุจระไรภาพจริงแข่งหลายคนชนะเพียงหนึ่งเดียวโลกจึงเต็มไปด้วยผู้แพ้ตายล่าจึงแทบร้างผู้ชนะแข่งคนเดียวเหมือนไม่ชื่อว่าแข่ง เหมือนไม่ชื่อว่าแพ้เหมือนไม่ชื่อว่าชนะเมื่อใจตัวเองคือคู่แข่งและสนามแข่งคือใจตัวเองเส้นชัยอยู่ที่ใจเพียงถึงเส้นชัยครั้งเดียวก็คว้าชัยที่เด็ดขาดพรังพร้อมอำนาจที่เกรียงไกรพร้อมไม่ต้องแพ้ใครอีกทั้งโลก